ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การนี้เป็นการที่เราความทำความสงบใจก็ให้นึกถึงความสงบเป็นที่ตั้งถ้าไปนึกไปอย่างอื่นแล้วมันสงบลงไม่ได้ต้องนึกว่าในขณะนี้เรากำลัง หยุดคิดหยุดนึกในเรื่องต่างๆที่เป็นอนดีตอนาคตเราจะกำหนดอยู่ในปัจจุบันเฉพาะหน้านี้นึกในใจอย่างนี้นะมันก็รู้สำนึกตัวนะว่าตัวต้องการอะไรมันก็รู้ตัวนังนั้นมันจึง น้อมลงสู่ความสงบ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการกระทำ <c oughs> การกระทำนี่นะว่าสำคัญมากถ้าทำดีก็เป็นกุศลไปถ้าทำไม่ดีก็เป็นอกุศล เพราะนั้นการภาวนาเป็นการเลือกทำสิ่งที่ดีเลือกคิดในสิ่งที่ดีห้ามคิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ดีโดยอาศัยสติแหละเป็นผู้ควบคุมจิตอาศัยธรรมวิจยะ เป็นเครื่องสอดส่องธรรมสอดส่องธรรมที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลการที่บุคคลมารู้จักว่าความคิดอย่างนี้เป็นอกุศลไม่ควรยึดถือเอาไว้และความคิดอย่างนี้เป็นกุศลควรดำเนินตาม น, นี้ทันเนวธรรมมัจยะ ความสอดส่องในธรรมพอธรรมในใจของปุตุชนคนธรรมดาทั่วๆไปนี่มันมีทั้งธรรมที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลผลเ ป, ก, ล ป, เปกันอยู่ดังนั้นบุคคลผู้ไม่สนใจในการปฏิบัติธรรม ก็ชื่อว่าไม่สนใจในการที่จะเลือกเฟ้นทาที่เป็นอกุศลออกจากใจของตนก็จะยึดเอาไว้ทั้งสองอย่างผลที่จะได้รับก็คือทั้งความสุขทั้งความทุกข์คลุกเคล้ากันไปดังนั้นพุทธศาสนนผู้มีปัญญาทั้งหลาย ไม่ควรเกียร์คร้านนั่งสมาธิภาวนาเผื่อว่าเราจะได้ละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกจา ก, กดวงจิตนี้ก่อนที่มันจะละสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตนี้ได้ก็ต้องอาศัยทำจิตนี้ให้สงบลงไปก่อนถ้าจิตนี้ไม่สงบมันก็ทำไม่ได้ ถ้าจิตนี่ไม่สงบมันจะไปละอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำใจสงบเสกอนการทำใจสงบก็คือตัวเองนั่นแหละ นึกกว่าหยุดคิดในขณะนี้อย่างนี้เราจะไม่คิดไปในที่อื่น อ, อันนี้เรียกว่าเดินทางลัดเราเพ่งเข้าไปาเฉพาะจิตโดยตรงเลยเอาจิตนั่นแหละเป็นกรรมฐานนะการกระทา อุบายแยบคายในใจนั่นเป็นกรรมฐานอันสำคัญมากการที่เรามีสติอยู่ใกล้ชิดกับจิตน่ะ น, นับว่าเป็นเรื่องสำคัญนะส่วนมากนั้นสติมันอยู่ห่างจากคิดจิตจึงสงบไม่ได้ <c oughs> ต้องพยายามะระลึกเข้าไปมันใกล้ชิดกับดวงจิตนี้ให้ได้เพราะเหตุว่าปล่อยสติให้ะระลึกไปแต่เรื่องภายนอกมันจึงเข้าใกล้จิตไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้กรรมฐานก็ไม่ปรากฏในใจมันจะปรากฏยังไงล่ะมันไปปรากฏแต่เรื่องภายนอกนู่น ถ้าเราน้อมสติเรลึกเข้ามาภายในกายภายในจิตอันนี้เสมอเสมอไปนิมกรรมฐานก็ย่อมปรากฏในใจเช่นลมหายใจเข้าออกอันนี้นะอันนี้เป็นกรรมฐานประจำเลยเป็นประจำของผู้ภาวนามันมา <c oughs> มารู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่มันแสนดีนักหนานะอยากที่บุคคลจะมากำหนดรู้อยู่ลมหายใจเข้าออกนี่ส่วนมากมันจะส่งจิตรู้ไปภายนอกนูน่นดังนั้นต้องมาฝึกให้จิตมันกำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ แล้วความคิดมันจะน้อยลงสั้นลงมันจะไม่คิดสั้นไปหลายเรื่องผู้ใดทํำผู้นั้นจึงรู้ในเรื่องภาวนานี่นะผู้ใดไม่กระทาภายในใจแล้วมันไม่รู้หรอกผู้ใดส่งใจไปแต่ข้างนอกไปทางอื่นนั่นน่ะไม่รู้อะไม่รู้ว่า ใจนั่นจะสงบลงได้โดยวิธีใดไม่รู้ถ้ามากาหนดเพ่งรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่มันมันรู้ได้เลยว่าออใจนี่มันคิดซ่านไปตามลมหายใจเข้าออกนี้ถ้าเอาสติมาสกัดกั้นอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี้น่ะมันจะไม่คิดซ่านไปมันก็รู้เองเ่ย เมื่อผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วมันก็น้อมจิตลงสู่ความสงบได้จิตมันก็ความคิดมันก็น้อยลงเบาลงหมายความว่าอย่างนั้นนะมันยากแต่กับความคิดอันนี้แหละการภาวนาถ้าหยุดความคิดได้มันก็สงบลงนะจิตนี่ไม่มีอะไรที่จะไปขัดขวาง สิ่งขัดขวางก็คือความคิดของตัวเองนี่เ น, นี่ยพระยแดนจึงว่าเอาละภาวนาเดินทางลัดไปเลยไม่ต้องไปสงสัยลังเลอะไรเอาไปทางนี้แหละอย่างนี้เพ่งเข้าไปตามลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปเมื่อสติมันแก่กล้าแล้ว มันไม่เผลอคิดไปทางอื่นแล้วมันมีแต่รวมลงนะจิตอ่ะอั น, นี้มีแต่จมดิ่งลงสู่ความสงบเ่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นให้พากันทำในใจเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องไปรอเวลาอื่นไม่ทันกับความลง เราต้องเพ่งเอาปัจจุบันนี่เป็นหลักไปเลยชีวิตนี่มันก็มีอยู่แต่แค่ปัจจุบันนี้เท่านี้อดีตมันก็ล่วงมาแล้วมันเป็นยังไงมันก็เป็นมาแล้วอนาคตมันก็ยังไม่ได้ไม่ถึงยังไปไม่ถึงมีปรากฏอยู่แต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละชีวิตนะ หายใจเข้าก็รู้ว่าชีวิตยังเป็นอยู่หายใจออกมาก็รู้ว่าชีวิตยังเป็นอยู่อยู่เท่านี้ให้จำกัดลงอย่างนี้เมื่อลมหายใจนี่หยุดแล้วหยุดลงไปชีวิตหมดความหมายมีแต่ตายลูกเดียว กับท่านผู้เข้านิโรดสมาบัติอย่างนี้แหละชีวิตของคนเราถ้าผู้เข้านิโรดสมาบัตินีถึงแม้จะลมไม่มีลมหายใจก็ไม่ตายอันนี้นะไออุ่นยังมีอยู่อำนาจแห่งฌาน หรือว่าอำนาจแห่งนิโรธสมาบัติเนะ่ะโลเลียงชีวิตนี่ไว้ซึ่งไม่เหมือนอย่างคนหมดบุญหมดกรรมหมดตัสนาบารมีลงอย่างนี้แล้วลมหายใจหยุดเดินแล้วก็เป็นอันว่าตายกันเท่านั้นเองอเพราะฉะนั้ น, นให้พึ่งพากันเพ่ง เข้ามาเราจะได้รู้ว่าความ <c oughs> ความตายคืออะไรความตายในหมายเอาอะไรนี่ก็รู้ได้นะเมื่อเมื่อรู้ความตายหมายเอาลมหายใจเข้าออกหยุดอย่างนี้แล้วก็มันก็รู้ชัดต่อไปว่าบุญหมดลง บุญวัสนาหมดลงเป็นอันว่าบุญวัสนานี่แหละรักษาลมหายใจเข้าออกอยูดทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยพอบุญหมดลงลมหายใจก็หมดไปตามกันเหมือนตะเกียงคมไฟอาศัยน้ามันกับไส จุดไฟลุกพโพรงขึ้นส่องแสงสว่างออกไปโดยรอบอุปมาเหมือนอย่างชีวิตของบุคคลผู้เกิดมาใหม่ในโลกนี้กำลังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวเช่นนี้ชีวิตนี้รู้สึกว่ารอดโปร่งมีกำลังวังชาดีกินได้นอนหลับ ทำการงานอะไรก็คร่องแถวดีนั่นแหละสติปัญญาก็มีเหมือนกับตะเกียงและโคมไฟที่อาศัยน้ามันกับไสมันยังไม่หมดไม่แห้งมันก็ส่องแสงสว่างเลื่อยไปพอน้ามันหมดลงไฟก็ย่มดับปุ๊บลงไปไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยชีวิตนี่เมื่อหมดหมดบุญหมดกรรมลงมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาข้ำจุนอยู่ได้เลยก็ดับพุกไปอย่างนั้นเลยลมหายใจก็หยุดเดินทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตมุ่งหมายไว้บนนั้นก็เป็นอันว่าผิดหวังไปหมดเลย ดังนั้นผู้ดใดเวลารู้ว่าตนจะหมดบุญหมดวาสนาลงแล้วก็ไม่คิดอะไรไม่ประสงค์อะไรไม่ถือมั่นด้วยเรื่องใดๆเช่นนี้เ็าเรียกว่าตายไปอย่างสบายสบายตายไตแบบไม่มีห่วงอันนี้สำคัญมากทีเดียว เวลาชวนจะตายมามันห่วงนะคนเรามันนึกห่วงอันนั้นห่วงอันนี้โอ้เรานี่จะต้องพลดัดพากจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปออแล้วเฉพาะก็ห่วงร่างกายอันนี้ไม่อยากให้มันแตกมันดับเมื่อมันห่วงร่างกาย น, นี่แล้วมันก็ห่วงสิ่งอื่นคนอื่นหลามปามไปทั่วแล้ววะ น, นี้อ่แต่ยังไง เพราะฉะนั้นการภาวนานี่เราจึงต้องฝึ ก, กจิตนี้ไม่มันห่วงอะไรทั้งหมดไม่ให้มันวิตกวิจารณถึงสิ่งใดใดปรงวางลงให้ใจมันสงบนิ่งหยุดนิ่งอยู่เฉยๆพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะนี่เดียวว่าเราเราหัดปรงหัดวางโลกสงสารอันนี้ รวมทั้งร่างกายสังขารอันนี้ไปตั้งแต่ก่อนตายวันเถอะเราฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปไม่ท้อไม่ถอยเข้ามันก็ปรงได้จริงๆเนี่ยวางได้จริงๆ น, นั่นเน่ยพอถึงเวลานั้นมาแล้วมันก็ไม่วิตกวิจารห่วงห่วงอะไรทั้งหมดแม่ร่างกายอันนี้ก็ เบื่อนายแล้วเพราะว่ามันมันหมดแล้วนี่มันมันหมดเหตุหมดปัจจัยมันแล้วไม่สะจะห่วงไว้ยังไงอ่ะนั่ น, นห่วงไว้ได้ก็ไม่มีทางจะเอาติดตัวไปได้แตเหมือนถ้าโปรงวางลงไม่ต้องเสียใจดีใจกับมันอย่างนี้นะมันก็ไปสะดวกสบายดีสิไปสู่โลกหน้านะบัดนี้ ไม่ต้องมีห่วงเบื้องหลังนี่พูดถึงว่าบุคคลยังลากกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดอีกนั้นไม่หมดแต่ก็ลากกิเลสอันเป็นเหตุให้ห่วงห่วงอยู่กับโลกอันนี้ได้ันดี้กิเลสอันพาไปเกิดโลกหน้านั้นก็เจาเป็นกิเลสดีบาดีนั่นแหละ พระพุทเจ้าทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัททั้งหลายละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี้แหละว่าโดยสรุปใจความแล้วแต่ว่าสุดแล้วแต่ผู้ใดจะมีกําลังสติปัญญาละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี้ได้ขนาดไหนออไม่ใช่ว่า ละตอนนี้จะขาดเด็ดไปทีเดียวเลยอย่างทุกคนไปอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าบุญวาสนาบา ร, รมีที่สั่งสมอโรมามันยิ่งมันหย่อนกลัวกันบุคคลจะมาละอุปทานใดใดได้นี่มันก็อาศัยบุญบา ร, รมีนะถ้าบุญบา ร, รมีไม่เพียรพร้อมแล้วมันละอุปทานไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น เช่นอย่างว่าผู้ที่เคยให้ทานมาแต่ก่อนเป็นนิสัยติดตามมาเขาเกิดมาชาตินี้มีสมบัติเข้าของเงินทองอะไรมาอ่มากพอสมควรแล้วอย่างนี้มันก็แบ่งกินแบ่งทานได้ไม่หวงเห็นเพราะว่านิสัยอันนี้มันติดตามมาแต่ชาติก่อนนู่นนะ นี่ยกตัวอย่างให้ฟังทีนี้แต่าติก่อนนู้นบุคคลนั้นไม่อยากทำบุญทำทานทำเกาะเพียงเล็กเล็กน่อยน้อยอย่างนี้นะความหวงเห็นในสมบัติมีมากกว่วการให้ทานมันก็เป็นนิสัยติดตามมาถึงชาตินี้แล้วก็มาหวงเห็นในสมบัตินั้นอยู่จะให้ทานก็ให้มากไม่ได้ มีมากๆให้ได้แต่ น, น้อยมีอยู่ทมไปคนในโลกวันนี้เรียกว่าให้ทานไม่สมกับฐานะเช่นนี้เราจะให้บุญกุศลมันมากได้อย่างไรนั่นเนี่ยเนี้แต่ชาติก่อนนั้นบางคนนั้นเคยได้รักษาศีลมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รักษาให้สม่ำเสมอ เดี๋ยวก็ขาดไปเดี๋ยวก็มีมาอย่างนี้เอ้านี่ใสเนี่ยนะมันก็ติดตามมาอีกแล้วมาชาตินี้ก็ได้แค่นั้นเนี่ยอรักษาศีลไปได้หน่อยหนึ่งแล้วผลละปล่อยวางเสียวางศีลทิ้งแต่ทำบาปบางคนแต่ชาติก่อนเคยรักษาศีลมาเป็นนิด จ, จะตศีล เมื่อชาตินี้มันก็ติดนิดสัยมาพอได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็พอใจที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์กลัวบาปกรรมเวรจะตามสนองให้เป็นทุกข์เพราะมันเคยระ ล, ลึกมาแต่ก่อนเคยกลัวมามเนี่ยพระ พ, พุทธเจ้ายัางตรัสไว้ว่านิสัยปัจจัยโยมันมีนิสัยปัจจัย ติดตามมา <c oughs> ใครจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรนั้นมันเนื่องอยู่ด้วยนิสัยปัจจัยแต่ชาติก่อนนู่นติดตามมาเพราะฉะนั้นเมื่อมาในปัจจุบันนี้ผู้ใดรู้ตัวว่าตนมีนิสัยอย่างไรมีนิสัยเข้มแข็งในการทําความดีหรือว่าอ่อนเอ ถ้ารู้ว่าตนมีนิสัยอ่อนแอก็พยายามปลุกตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นเป็นอย่างไ น, นปลุกตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นมาอย่าให้มันอ่อนแอให้ทบทวนดูว่าการที่เรามีความสุขแต่น้อยนี่ในชาตินี้ก็เพราะแต่ชาติก่อนนนเราอ่อนแอต่อการทําความดี ให้ทานก็ให้ไปแต่พอเพียงแต่ขอไปทีอย่างนี้นะไม่เอาจริงเอาจังรักษาศีลก็รักษาได้เพียงขอไปทีตามมีตามได้ไม่ได้ตั้งใจรักษาจริงจังด้วยพระภาวนาก็เพียงแต่ทำไปพอพอเป็นพิธี น, นิดหน่อยๆแล้วก็แล้วไปถ้าผู้ใดรู้ ตัวว่านิสัยตนเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าในชาติก่อนนั้นตนก็เคยเป็นอย่างนี้มาก็เตือนตนเข้าไปให้ขยันมันเพียนเข้าไม่ท้อไม่ถอยถ้าตนอ่อนแออย่างนี้ตนก็จะตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาบาปธปรรมกรรมันชั่วร้ายเรื่อยไปแหละจะไม่สามารถละบาปอากุศลต่างๆ ออกไปจากดวงจิตนี้ได้แล้วจะไม่สามารถกระทำกุศลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปได้เมื่อเป็นเช่นนี้ตนก็จะต้องได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกสงสารอันนี้ไม่รู้จักจบจากสิน้นก็มีอุบายแยบคายสอนใจไปอย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าผู้ใดรู้จักสอนจิตสอนใจตัวเองเข้าไปได้อย่างนี้ มันก็ขยันขึ้นมาได้เพราะมันมองเห็นนี่มองเห็นว่าถ้าตนเกียจค้านะตนก็จะต้องได้ประสบความทุกข์ต่อไปแน่นอนอย่างนี้นะถ้าตนมันตนขยันรู้จักขนทางที่ถูกต้องแล้วก็พยายามเดินไปไม่ท้อไม่ถอ ย, อยออมันก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางให้ได้โดยรว ด, ด, รวดเร็ว ถ้าหากว่าชมนกชมไม้ไปไม่ตั้งอกตั้งใจเดินอย่างนี้มันก็นานถึงก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยอนั้นเนี่ยว่าเดินทางภายนอกมันก็ถ้าไปคอยแต่ชมนกชมไม้ไปมันก็นานถึงจุดหมายปลายทางอันนี้ชั้นใดผู้ใดก็ลีรอลีรออยู่ทำอะไรไม่ทำจริงอย่างนี้ ละกิเลสก็ไม่ละจริงอย่างนี้มันเกาะไม่ถึงจุดหมายปลายทางง่ายๆนานพ้นทุกพ้นภัยในสงสารเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจฝึกตัวเองเข้าไปให้เต็มความสามารถให้ใจมันรวมลงให้ได้มันจะเป็นบอ่อเปิดแทงปัญญา ในการต่อไปก็พึ้งพากันตั้งใจ